บุ๊กทูสามสิบอ็ดซียวเที่ร้านอาหารสามจาเรสตูรอนเซดิฉันอยากได้ออเดิร์ฟค่ะมันยกพชกมีข้าม ดิฉันอยากได้สลัดค่ะมันยกสลัดมีขอหามดิฉันอยากได้ซุปค่ะมันเยกซุปมีขอหามดิฉันอยากได้ของหวานค่ะมันยกเดซเซอร์มีขอหมดิฉันอยากได้ไอิสครีมใส่วิปครีมค่ะ มันเยกเบสตนีบะข้าม่หมี่ข้ามดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะมันมีว่งหยอบนีหมี่ข้ามเราต้องการทานอาหารเช้าม ا มีค้าวหิมสบฮานบคหรีมเราต้องการทานอาหารกลางวันมามีข้หิมน้ำรบคร เราต้องการทานอาหารเย็นมอมีข้าหิมชามบอรอมอาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะชมสสาสอุบฮานชีเมลดาริดขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะนอนบอมร บ, บาวะอาซลขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ น้านทโฮสต์ปะซูสีสวาละนีร์ไข่ลวกไหมคะยกทัชมือมอรเกปไข่ดาวไหมคะยกทัมืมร์นิมรูออมเล็ตไหมคะยกออมเล็ตขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะ لطفا یک ماست دیگر بیاورید. ل <غلور> لطفا <و پریکتای دوی خا> بازهم نمک و فلفل بیاورید. <غلور> <نمبراو ایک> ل لطفا <خا> بازهم یک لیوان آب بیاورید.